เมื่อีนเป็นเมื่อสิบห้าคำขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบสองตรงกับวันอาคารวันที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้ารอยยี่สิบเจ็ดที่เขามาประสมกันในที่นี้มีอุดม การเพื่อว่าจะศึกษาหลักพระพุทธศาสนาตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับผมเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนเพราะว่าพ่อก็เป็นคนไทยแม่ก็เป็นคนไทยตัวผมเองเกิดมากับเป็นคนไทยนี่ก็เป็นสาวพุทธร้อยเปอร์เซน เพราะว่าพ่อก็เ ป, น เ, นอกเป็นสาวพุทธถือศาสนาพุทธมาแม่ก็เป็นสาวพุทธถือศาสนาพุทธมาตัวผมเองเกิดมาก็ถือศาสนาพุทธในขณะนี้ระยะนี้เวลานี้สองทุ่มกับสี่สิบนาทีการพูด ธ, ธรรมนี้ มันต้องพูดภาษาแบบบ้านเขาพอพระปรเจ้านั้นเป็นคนอินเดียเกิดในปีประเทศอินเดียต้องพูดภาษาอินเดียคนอินเดียฟังต้องรู้สำหรับคนไทยฝั่งโบลูคาโบแป่ก้อนที่จะแปลภาษาอินเดียมาสู้ภาษาไทยเป็นของยาก เป็นภาษาบาลมบาลีบันนีก้อนที่จะแปลภาษาไทยให้ไปตรงกับภาษาอินเดียกับนะเป็นหองยากเพราะมันเป็นคนละภาษากันแต่ส่วนธรรมะนั้นหลักใญ่ๆใจความนั้นคือกันเพราะว่ า, าพระพุทธเจ้าเป็นสอนหให้เราทุกคน ปฏิบัติตัวของเข า, าพระพุทธเจ้าเองเพิ่งกับปฏิบัติตัวของเพิ่นในระยะเวลาที่เพิ่นได้ไปศึกษาเล่าเรียนไปปฏิบัติตามครูบาอาจารย์นั้นโบได้รับผมสุขโบเข้าใจนั่นเพิ่นว่ารู้จักรู้จําบเป็นรู้แจ้งโบเป็นรู้จิต ต่อเมื่อพระองค์ได้มาปฏิบัติตัวของพ้นเองเป็นการรู้แจ้งรู้จริงเพราะปฏิบัติตัวของพ้นเองดังนั้นผมที่จะนํามาเล่าสู้ฝังมือนิกาวาเรื่องของผมเองตามความเข้าใจและความชิดเห็นของผมนั้นธรรมะที่ทำให้ พระโพธิเจ้าเป็นพระโรธิเจ้านั้นมันมีอยู่ในคนทุกคนบรยกเวณถ้าเป็นผู้ยิงผู้ทายก็มีคือกันคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกาคนคาเมรคนนวนคนลาวคนอินเดียมีคือกันเมด พระพุทธเจ้าเพื่อนจิงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตขว่ า, านสังสิ迦ได้หรือสัตว์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าว่าสังศิ迦ได้แต่เราฟังบกเข้าใจอืฟังบกเข้าใจบบแม้นสัตว์เด ร, าารัจฉานสัตว์มนุษย์จึงเป็นพระตถาคตได้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าตัดสลูนั่นก็ตัดสลูในพื้นดินนี่เองโบได้ไปตัดสลู้ในเมืองอินเมืองพม์ซันฟ้าสวรรค์ที่ใดอยู่ในประเทศอินเดีย ก, ก็อยู่ในพื้นดินนั้นตัดสลูพื้นดินตายพื้นดินมันจะเป็นวายแสดงทำอยู่กับพื้นดินเป็นวายัางสัน้น ดังนั้นพวกเขาก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนที่จะปฏิบัติธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่าให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั่นมันเป็นซื่อของคำพูดวิปัสสนานี่ แปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วต่างเก่าล่วงภาวะเดิมคําว่ารู้แจ้งนะรู้ยังไงจังต้องรู้ตัวเหงารู้จริงก็ต้องรู้ตัวเหาต่างเก่า ส, สิ่งที่เคยทําบุถมสิ่งที่เคยพูดบูพูดสิ่งที่เคยคิดบูคิดสิ่งที่มันเป็นสุขปกรณบดี ดังนั้นพระพุทธเจ้าพื้นจรวาสภาพหรือสภาวะดั้งเดิมของคนนั้นคือกันเม็ดจะเป็นคนชาติใดถือาศาสนาใดก็ตามสางคือกันเม็เพื้นจรว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตต่อเมื่อยังเราตถาคตบทันได้รู้ โบได้เข้าใจในสภาพสภาวะคมทุกนี้ก็วกวนเสาะแสแวงหาทางคนทุกอยู่ศึกษาหลายครูหลายอาจารย์โบลูวันนี้เราตถาคตได้ศึกษาเราเรียนกับตัวเองบบได้เสื้อคำพูดของครูบาอาจารย์ปฏิบัติตัวเรา เห็นตัวเราเข้าใจตัวเราหรือสภาพสภาวะตัวเราจริงๆแล้วว่าเราไปถึงแล้วที่นั้นที่บ่มีทุกข์เราไปเห็นแล้วสภาพที่บ่มีทุกข์บ้านอันนั้นเมืองอันนั้นเพิ่งก็เลยว่าบกเกิดบบแก่โบเจ็บโบตายเพลินวัยแตนเพื่องเรื่เรียกว่านิพผาน ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนิพพานนั้นสอนแต่เมื่อมีลมหายใจอยู่บุตรม่ตายแล้วถ้าหากผู้ใดประพฤ ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต, ตาาิปฏิบัติอย่างเราตถาคุณนี้ต้องหูต้องเห็นต้องเข้าใจอย่างแก้มแง้งคือเราตถาคุณนี้ถ้าหากผู้ใดโบได้ปฏิบัติย่างเราตถาคุณนี้จะไม่รู้ ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งย่างเราเป็นมาแล้วนั้นดังนั้นสิ่งที่ผิดนั้นคนก็ บ, บอกไว้แล้วสิ่งที่ทูกข์นั้นคนก็ บ, บอกไว้แล้วเพ่ญาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตหรือคือกับราก็ตถาคตเลยบุแม่นสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์ ดังนั้นคนเราเกิดมาต้องรู้จักว่าศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของนุนคำว่าคนคำว่าคนนี่หมายถึงอะไรคนนี่ก็หมายถึงหลายสิ่งหลายอยา่างมันมีอยู่ในเหล่านี้ศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของเราเมื่อเราศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของเราแล้วเราต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักหน้าที่ของมนุษย์ มนุษย์นั้นพนว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงหรือมีมันนาคหักห้ามจิตใจไว้ได้เมื่อศึกษารูุจักหน้าที่ของมนุษย์แล้วต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักหน้าที่ของเทวดาเทวดานั้นหากนึกว่ายู่สวรรค์สันฟ้าความจริงเทวดานั้นมันมีสองความหมาย ถ้าหากพูดตามภาษาของคนที่ย่างบกเข้าใจนั่นก็ว่าอยู่ทันฝ่าถ้าหากพูดตามภาษาธรรมะนั้นคนว่าคนที่มีหิริขมละอายแก้ใจหิริขมละอายแก้ใจนั้นผู้ใดมีหิริขมละอายแนละ้วคนเอื้อติณเทวดาถ้าหากผู้ใดรู้ว่าไม่ควรทําไม่ควรพูดไม่ควรคิด สิ่งที่มันจะทําให้เดือดร้อนแก่ตัวเองและคนอื่นนั้นคนก็เอื้นเทวดาเพราะมีผมละอายต่อจากนั้นมาศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของพระอินทร์พระพรหมพระอินทร์พระพรหมนี่พนมวาเป็นผู้มีเมตตาพนมไสวพรหมมหรรคหันซีมีเมตตากระดูนามุทุตาอุเตฆาแต่เฮาก็เลยมาทาให้เป็นผมรูปซีนะ อันนั้นกระจิงยู่เพราะมันเป็นกลุ่มมุติวาคนมันใช้ปัญญาต่างกันดังนั้นธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีอยู่ในคนทุกคนบรยกเวณจะเป็นชนราบใดถือศาสนาใดขอตานสารมีอยู่แล้วแต่ว่าก้อนหน้าพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้น กับมีอยู่เรื่องสวรรค์มีผ่านเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าผูต้ตรัสรู้ไปในผ่านแล้วนั้นเป็นจำนวนล้านลานแสนแสนก็มากันเลยบ่มีผู้ใดศึกษาบ่มีผู้ใดปฏิบัติก็เลยบรูรูพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เลยมาศึกษาปฏิบัติตัวเองเพื่อเลยว่าให้เจริญสติปัฏฐานซี ที่เราเคยศึกษาเล่าเรียนกันมานั้นคําว่าเจริญสติปัฏฐานซีนี่เราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่ว่าให้พิจารณาว่ากายอนุปัสนาให้พิจารณากายในกายให้รู้จักกายในกายคนว่าแล้วก็เวทนานุปัสนาให้รู้จักในเวทนาหรือในเวทนานั้น จิตตานุปจนนาให้พิจารณาจิตในจิตคือจิตในจิตนั้นทำมาโนปัจนนาให้พนานาิจารณารู้ธทำเห็นทำในทำนัน้นคนสอนให้เขามีสติเขากำหนดรู้อย่างสัน้นแต่เท่านั้นกันยังบม่พอคนที่อย่างบุญธนมีปัญญาเพิ่งยังสอนย้ำเข้าไปว่าให้มีสติเข้ตกําหนดรู้ ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นั่งให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้เดินให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้สิ่งนี้เพิ่งกันยังว่าบุพออยู่เพราะว่าคนมันต่างกันเพิ่นยังให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ในอิริยาบถย้อยคูเยียดเขื่อนไหว พิษตาอ้าปากปืนน้ำลายหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่พูดมานี้คนอื่นมองเห็นพิ่นรณาเป็นของหยากอันนี้เ็เพิจาว่าปฏิบัติธรรมะเห็นของหยากแล้วก็เห็นของยาง่างกลางก็เห็นของอย่างละเอียด ล, ลึกเข้าไปส่วนกรรมมือ เยียดมือยกแทงยกขายกมือยกเท้าเด็บันญยาบส่วนพิษตาห่าใจนั้นละเอียดเข้าไปตืมส่วนจิตใจที่มันนึกมันคิดนั้นยิ่งละเอียดคนอื่นบ่มองเห็นได้พญยายวัดสันธิโกเป็นภาษาบาลี อันผู้ประพฤติปฏิบัติจะรู้เองเหตุเอ ง, เ, เ, องเข้าใจเองผลวางกันดังนั้นการปฏิบัติข้อแรกที่สุดนั้นที่ผมชอบพูดเรื่องตัวของผมเองคิดถึงเคยได้พูดกับพักกับพวกที่มาศึกษาเราเรียนตา่างผมไปปฏิบัติธรรมมผม่าไปสนใจกับมู่กับเพื่อน ผมสนใจเต็ตัวของผมการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดผมให้รู้เมื่อผมรู้แล้วผมก็เลยรู้เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามนี่แหละรู้จริงๆแต่ก้อนนั้นผมรู้รูป ร, รู้นามนั้นรู้ตามตำรับตำลารู้ตา ม, ตา ม, ตา ม, ตามครูบาอาจารย์บอกสอนมาซื้ อ, อ, อ, อต่อมาเมื่อผมมาจเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญานีผมรู้เองเห็นเองเข้าใจเองคล้ายๆคือว่าการเกิดของคนนั้นมันเกิดสองเทือเกิดจากท้องแม่นั้นเกิดมาอย่างหนึง่งรู้บไดายจำบไดายพอแม่เราให้ฟังว่าเกิดเมื่อนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้พอแม่เราให้ฟังบ่ญเป็นรู้เองเห็นเอง ตอนที่ธรรมะปรากฏขึ้นมาจา ก, กจิตใจสานึกจริงๆนั้นบ่หลงบ่หลืนเมื่อมรู้รูปรู้น้ำนี่รูตอนเสา ร, รูปน้ำเมื่อการรูปธรรมน้ำธรรมรูปโลกนามโลกรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตารู้ส ม, มุิ รู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญเนี่รู้ตอนเศร้ารู้จริงจริงรู้แล้วโหลงบบหลืบจักเถื่อนดังนั้นการศึกษาของจริงนั้นจริงว่าศึกษาให้รู้เองเห็นเองอันนี้การเกิดตอนนี้ชีวิตของผมมีค่ามีราคามาตอนที่ผมเกิดจากท้องแม่มานั้น ค่าราคามันน้อยที่สุดครับตอนที่ผมเกิดรู้ทมเห็นธทมเข้าใจทมนี่ผมว่าผมมีค่ามีราคามากที่สุดดังนั้นธรรมะนั่นจึงมีอยู่ในคนทุกค น, คนบนรคเวณแต่ขอให้ปฏิบัติให้มันถูกเท่า น, นั้นที่คืถ้าปฏิบัติถูกแล้วรู้มัดทุกคนคนไทยก็รู้อย่างนั้นดับทุกได้ คนจีนก็รู้อย่างนั้นดับทุกได้คือกันคนอินเดียก็รู้อย่างนั้นให้ว่าทุกสาสทุกภาษารู้อันเดียวกันมืดพญาวาสภ า, สภาวะสภาวะดั้งเดิมนั้นคือกันหมดคือกันหมดบ่ผิดกันธรรมะที่ทำให้พ้นไปจากคุามทุกข์ก็คือกันหมด รู้ต้องรู้อย่างเดียวกันถ้ า, ารู้คนละเรื่องกันแล้วโบแมนโบแมนคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นคำสอนของผู้อื่นไปซะถ้าเป็นคำสอนของพระเจ้านั้นต้องรู้อย่างเดียวกันไถ่ซีปฏิบัติยูุสิซีใดกระทำสางต้องรู้อย่างเดียวรู้ปัญหาที่แก้ทุกทุกบกเกิดขึ้นทุกเพราะความสงสัย สงสัยว่าเป็นอย่างสั้นสงสัยว่าเป็นอย่างซืีหลางนั้นก็ถทุกเมื่อผมรู้แล้วผมโบสงสัยหมดปัญหาเรื่องสงสัยเรื่องนี้เมื่อผมหมดปัญหาเรื่องนี้แล้วผมก็เลยเดินไปเดินมาผมก็เลยเกิดรู้เห็นเข้าใจผมคิดของผมแต่ก้อนผมรู้แต่คิดมันคิดแล้วผมรู้เข้าไปในความคิด อันนั้นมันเป็นขมรู้คิดมันบ่พเ็นเห็นคิดเพื่อนจังว่าอวิชาเพื่นวางกันแปลว่าไม่รู้คําว่าอาวิชานี่แปลว่าไม่รู้นี่อะแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้รู้แล้วมันออกจาะขมคิดบ่พเ็นมันบุ่มหุ่จากมันก็เลยคิดรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปดังนั้นการศึกษาจากตํำรับตําลานั้นมันเป็นทฤษฎี มันแก้ปัญหาบยคอยตกรูก้กลุ้งข่วงใดตอนที่ปฏิบัตินี้มันเห็นและมันรู้จักความคิดมันหยุดโลดเมื่อมันหยุดแล้วมันนั้นโบทุกปุ่งไปเพิ่นว่าสังขารบทุกปุ่งเพิ่นวัดสังดังนั้นเมื่อผมเห็นความคิดผมเนี่ยสมมุติว่าโทสะโมหะโลภเนี่ย มันเป็นความทุกข์ลดละได้เบาได้จริงๆทุกคนเป็นคือกันมืดพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนั่งฟังผมเว้าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ลักษณะสภาพสภาวะจิตใจนั้นสบายอยู่ทุกคนบ่มีความโกรธบ่มีความโลภบ่มีความหลงอยู่ซื่อๆอันลักษณะจิตใจอยู่ซื่อนี่แหละให้เหาหูให้เา ห, หเาเห็นให้เขา ให้เขาเข้าใจอันมันยูดซื่อๆนะั้นเพราะเนิรเอินอุปเปฆาวางเสยมันบูยึดมันบูถืออยืดซื่ออันที่เขายึดเขาถือนัน้นผู้ใดว่าอย่างไรเขานั้นเขายึดเขาถือนัน้นเขาโบยเห็นจิตบยเห็นใจเขาเขาไปเบิ่งขาเจ้าพูนเขาโบาได้เบิ่งใจเขาบัด น, นี้เขาไปพูดไปคุยกับมู่กับเพื่อน โม้เพื่อนว่าท่านไหนของเขาเบื้องจิตเบื้องใจเขาอยู่อันนี้เป็นหลักศนะการปฏิบัติธรรมอย่าง ง, งา่ายๆอย่างระลับไปใส่มาใส่กับปฏิบัติได้ดังนั้นเราจิตไปยุใส่กระฐานสร้างการปฏิบัติธรรมแบบนี้บ่ยากบ่ขึ้นอยู่กับตำหลับตำรามียังขึ้นยุกับบุคคลผู้กระทำจริงๆ ผมรู้แล้วผมก็เลยรับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพัรมขันธ์นั้นก็ตามมีมากมีพระสูตรมีพระวิไนมีพระวิธรรมอันนั่นกะแมนอยู่คําพูดถ้าหากพูดอย่างสันส้นๆลัดๆอย่างที่ผมได้ปฏิบัติประสบพบกับตัวของผมเองนี่ ผม่าปฏิบัติเบื้องหลกต้องรู้จักตัวของเรานี่ยพอดเมื่อรู้จักตัวของเราแล้วก็เลยรู้จักค่มคิดเมื่อรู้จักขมคิดแล้วก็รู้จักต้นเหตุสมุทฐานของข่มคิดเพราะว่าโทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นมานั้นพอเหาหลงโตเหาลืมโตเหาภาษาธรรมะพลื่นว่าโมหะภาษาพื้นบ้านขอเรียว่าหลง ลืมถ้าหากเขาบ่นหลงบ่นลืมตัวเขาแล้วทฤษฎีว่าสัาจจนญา ก, กรรมสร้างแล้วเรื่องของเพิินบ่เป็นเรื่องของเขาดีซัวนั่นมันบ่ได้ยุ่กับคําพูดของคนดีเพราะเขาทําดีซัวเพราะเขาทําซั ว, พ, วพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิินสอนว่าทําดีได้ดีทําซัวได้ซัวอันนั้นมันเป็นคําพูดซื่อ ตามความเข้าใจของผมทําทดีมันดีเพราะว่าจิตใจมันดีมันยังทําดีได้ทําซั่วมันซั่วเพราะจิตใจมันซั่วมันยังทำซั่วได้ดังนั้นคนซั่วนั่นน่ะที่ทําดีจึงน่ยเป็นการยากทําดีได้ยากคนซั่วเพราะจิตใจมันซั่วจิตใจมันเร็วตามคนดีป่ะเนี่ยที่ทําซั่วได้ยากเพราะจิตใจมันดี มันเป็นอันใดดังนั้นความทุกข้อแรกที่สุดนั้นคือเดว่ะย่าปากเคาะวาย่างสิกะใดต้องโทสะโมหะโลภะนี่ลดน้อยลงไป ท, ทันทีเมื่อโทสะโมหะโลภะลดน้อยเบาบางลงไปแล้วเวทนากระบุตรมีอยู่เวทนาก็มีอยู่สัญญากระบุตรสัญญาก็มีอยู่ สังขารกั บ, บุทุกสังขารก็มีอยู่วิญญาณก็มีอยู่วิญญาณเป็ว่ารู้รู้อันมันบุทุกมันบูยิย์บูถือพีเดนี่ผมเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นการศึกษาหลักพระพุทธศาสนานี่ศึกษาในน้อยเบิ้งจิตเบิ้งใจตัวเองแต่อย่าเบิง่งอยาอยากเป็นอยาอยากหมีเบื้องซื่ อ, อมันคิดก็รู้ มันบุคคลละก็แล้วไปเมื่อเขาเห็นความคิดนี้แปลว่าเขาได้ต้นทางเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นยุติใดเขาีรูเขาจีเห็นพระพุทธเจ้านั้นบ่มีลูกบ่มีลางเขาเคยได้ยินเจ้าชายสิทธัตถะอุมาเกิดขึ้นมานั้นเป็นคนธรรมดาได้มีลูกมีเมียได้ลาหุ่น แล้วก็ได้ไปศึกษาอยู่กับอาลาดาบุตรอุทกดาบุรสองอาญานี้จนได้สมาบัติเปรอันนั้นบุใรไ้เป็นพระพุทธเจ้าได้อันนโ่งบแมนมันเป็นรูปวัตถุของคนแต่พระพุทธเจ้าก็มีอยู่ไหฮจนเท่าเพื่อนมาบาเพ็นทางจิตพี่แหละเพื่อนเห็นจิตเห็นใจเห็นชีวิตของเพื่อนก็เลย ได้ตัดสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าเขาเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเอาขันไปทวนกระแส ข, ของน้ำแต่น บ, น บ, นบนม่มบ่มน้ําอันนั้นขันก็หมายถึงขันห้านี่ก็ได้จิว่ารู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้เป็นขันห้าก็ได้หรือจิว่าขันอันใดก็ได้ล่ะทวนกระแสของความคิด ทวนกระแสของความคิดมันคิดแล้วบัได้ไหลเข้าไปในความคิดออกจากความคิดได้เมื่อออกจากความคิดได้แล้วความคิดก็เลยทุกหยุดเลยบัได้ปรุงไปเมื่อบัปรุงไปแล้วความคิดมันก็เลยบทขุกมันเป็นอย่างสันเป็นจังว่าทวนกระแสของน้ำดังนั้นการทวนกระแสของความคิดเป็นสิ่งสิ่งที่ทุกคนทําได้ เมื่อรู้จักเส้นนี้แล้วผมก็เลยรู้จักกิเลสตันหาอุปทานกิเลสนี่มันเป็นยางเหนียวเอาไปใทะอันใดมันติดมดัดกิเลสตันหาเรียว่าหัวยากอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีและอยากของสิ่งที่บ่หมีมันกบรบดาอยากเป็น เป็นอันใดมันขออา่าวโบรมันว่เป็นไม่เนั้ยมันเป็นเพียงแต่สมมุติว่ามาฟื้นเมื่อหูวจักกิเลสหัวจักตัณหาแล้วอุปท า, านกเ็เลยบวชเข้าไปยึดกรรมก็เรียกว่าบทุกก็เรียกว่าสวยบทุกให้ว่าถไปถ้าหากคนเราบวมมีอุปท า, านแล้วบทุกถ้าคนเรามีอุปท า, านเมื่อได้กระทุกเมื่อนั้นสมมุติเอาให้พวกเหาได้เห็น ได้ยินได้ฟังสมมุติว่ามีกระจกใบนึงแล้วเอารูปมาตั้งไว้หน้ากระจกาจากสิบรูปแล้วรูปนั้นเขาไปยู่ในกระจกเนะขาจีมองเห็นถึงสิ์หน้าแต่กระจกนั้นมันไม่ได้จมวันน่กมันมันไม่ได้ติดพอรูปเขาไปติดอยู่ในหันซื้ อ, อแต่ตัวรูปมันไม่ได้ติดมันเป็นเงาซื้ อ, อ, อมันเป็นกระจกเงา ดังนั้นคนเรามันคุกเพราะเขาไปยึดไปถือไปติดพอดีผู้ใดมาไว้เห่าเสรแล้วเขาก็ไปยึดไปถือไปติดมันลึดหนักให้เขาทออําเบืองยัน้กกากระจกเนี่ยเขาซ่องบงหน้กกากระจกจะโ ต, ตเหานั้นบุเฒ่าได้อยู่หน้กกากระจกกระจกมันบไริสวาหนักว่าเบาไป่ยังเอาออกแล้วก็แล้วซื่ออันนี้เห่าก็คือกันถ้าหากเขาเห็นความคิดเห่าแล้ว เขาจีบยดตโบถือมันเป็นอย่างสั้นดังนั้ น, พนเพิ่ว่าสิ้นจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากยั ง, งายงงากที่สุดก็คือโทสะโมหโลภะกิเลสตัณหาอุปทานนี่แหละยากที่สุดถ้าหากผู้ใดละสิ่งเหล่านี้บุไดสิ่ น, นั้นเป็นได้เพียงสมมุติวาซืเสือสิ้นแท้ที่ผมรู้ ผมเห็นผมเข้าใจนั้นสิ่ น, นั้นเป็นว่าปกติปกติกายปกติวาจาปกติใจเมื่อกายวาจาใจปกติแล้วมีอันใดมาแตะมาต้องหรือมันนึกมันคิดอันใดก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจก็เลยว่ารู้เท่ารู้ถันรู้จักกันรู้จักแก่รู้จกกัจ ก, จกเอาสนะไดและเข้าใจอย่างสี้ ดังนั้นที่นํามาเราให้ฟังนี้ทุกคนเอาไปปฏิบัติได้ทําได้บมเมนสิว่ายุคนั้นยุคนี้ไม่หยังยุคพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้อันนี้ยุคที่ที่เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปก็ต้องรู้จังสียุคปัจจุบันนี้ก็ต้องรู้จังสีจึงจะว่ามันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองหลักศระ พระเนี่ยเจ้าเน่ยเป็นเั่นนั้นเองที่ตัดสลู้ไปแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั่นก็เป็นอยงสันดาบข่มโกดข่มโลภข่มหลงเนี่ยลดนอ้อยไปหรือบ่มีการยึดมัน่นถือมั่นเพื่นรุ่นว่าอุเบกขาวางเสยเพิ่นสอนให้วางเสยแต่บุญไม่ไปวางมันเน่ยมันเป็นแล้วมันดับเปนนน็นอย่างสันยุดสภาพจิตใจอ น, นันตะ แต่เหาหักบกเข้าใจเมื่อเหาบกเข้าใจแล้วเหาไปปฏิบัติเหาก็ะยักรู้ยักเห็นยักเป็นยักมียากของที่บ่มีมันก็เลยบ่มียากเห็นของที่บ่มีมันก็เลยบ่เห็นยากเป็นของที่มันบ่เป็นมันก็เป็นบ่มใดเหาไปสร้างมันขึ้นมาอยากไปสร้างมันอย่าไปสร้างมันขึ้นมาเหาเบื้องการเคลื่อนไหวของเห่านี้ การเคลื่อนไหวของร่างกายเขานี่มันเคลื่อนไหวโดยวิธีเด็กกรตั้งสางอันนี้ที่นำมาเล่าให้ฟังนี้มีอาจารย์ทวีวัตรบอกคุณสารวหวว่าถ้าหากหลวงพ่อมีโอกาสมีเวลานั้นพูดใส่เทพแล้วฝากไปหาเด้เนอร์วัสดวันนี้ก็มีโอกาสมีเวลาน้อยๆได้มากรุงเทพ มื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามเป็นวันอังคารขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบสองเดือนสิบสองเพ่งมื้อนี้ดังนั้นการพูดนี่ตั้งอกตั้งใจพูดว่าเพื่อให้เอาไปปฏิบัติถ้าหากอาจารย์ธีวัต อยู่ในประเทศญี่ปุ่นพุนกับปฏิบัติอันเดียวกันนี้รู้อันเดียวกันนี้ความทุกข์นั่นจะไม่มีแต่จะได้ทำหน้าที่ของคุณเราดังนั้นพระพุทธเจ้ากับคนธรรมดานั้นจึงคือการพูดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าวาจาจันทร์กันใด น, น, นว่าสัตว์ทั้งหลายคือพระตถาคต วาสังสารได้นี่ว่าสัตว์ทั้งหลายคือกันกับพระพุทธเจ้าว่าสังสงกรได้ปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้าแล้วนั้นมันก็มีความบุมีทุกเท่ากันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นยังว่าสภาพสภาวะดั้งเดิมหน้าตาของคนนั้นจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคือกันมดและหลัก สถานสภาพสภาวะจิตใจที่เป็นอุเปกขานั้นก็มีคือกนรมืดควมจริงคมโกตรคมโลภคมหลงนั้นเอบบัได้มีอยู่ในเฮามันเกิดขึ้นในขณะที่เฮาหลงเฮาหลืมเฮาบัวได้เบิ้งจิตเบิงจบใจเฮาบัวได้เบิ้งชีวิตของเฮา มันก็เลยกิดขึ้นดังนั้นเพื่อนจึงสอนว่าให้เหาเบื้องตัวเห่าอยู่เสมอไปใส่มาใส่การศึกษาเล่าเรียนก็เ บ, บิ่องตัวเห่านี้อันเบิ้องตัวเห่านี่แหละเป็นหน้าที่ปฏิบัติทำ ม, มาปฏิบัติตัวเห่าจริงๆการปฏิบัติอย่างนี้บ่ญาเพื่อนวาไว้ตามหนังสือหลักสูตรนักธรรมสันเอกที่ผมเห็น ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานซียอย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่คนวางสั้งโบให้ขาดสายคำว่าติดต่อกันเหมือนลูกโซ น, นี้โบเสวะสเพเป็นน่งยืนอยู่ในห้องกรรมฐานอย่างเดียวไปใส่มาใส่อาบน้ำซักเสื้อซักผ้ามีสติดูการเคลื่อนไหวของรูป ก, กายและมีสติดูจิตดูใจ ยุดเสมอนั่นแหละเพื่นว่าปฏิบัติให้ติดต้อเหมือนลูกโซ่ย่างนานวกเกินเจ็ดปีเพื่นว่าย่างกลางเจ็ดเดือนย่างไวที่สุดนับตั้งแต่มือหนึง่งถึงเก้าสิบมือหรือสามเดือนความทุกนั่นจะลดน้อยไปหรือหากว่าอีกอย่างหนึง่ง อาจได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้หรือศาสด น, นี้อนิสงส์งของมันเป็นวันหน่งถ้าหากโบได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้ศาสนี้นั้นต้องเป็นพระอนาคามีเป็นวัน่งแต่เราที่ไปหาพระอรหันต์นั้นโบมีโอกาสโบมีเวลาถ้าเฮาอยากรู้พระอรหันต์นั้นอยากรู้คนโบมีกิเลสนั้นให้เบื้องตัวเฮาพิ อย่าไปเบิงผู้อื่นผู้อื่นเขาจะไปเห็นอย่างไดกัญญาไม้ฝอนเราเกิดมาแล้วบูฮุจักเกิดเมื่อนั้นวันนี้บูฮุจักพอแม่เราให้ฟังอันเกิดรู้ธรรมเห็นธรรมเกิดเข้าใจธรรมมานี่พอแม่บุรู้นาเขาเขารู้เองเห็นเองเข้าใจเองดังนั้นการสแสวงหาพระพุทธเจ้าก็ตามสแสวงหาพระอรหันต์ก็ตาม สแสวงหามักผลนี้ผ่านก็ตามยาไปสแสวงสิ่งที่มันบ่มีสแสวงหาโตเฮานี้ให้เฮาทำความรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอนี่แหละจะรู้จะเห็นผมไปปฏิบัติธรรมะอยู่กับครูบาอาจารย์ผมเกิดความเข้าใจขึ้นมาในใจผม ผมรู้แจ้งรู้จริงเลยบุเสื้อคุบาอาจารย์บุตรเสื้อแ ท, ท้ผมผมก็เลยได้ในหลักสูตรนังสือกลามาสูตรบอกว่าญาติาเสื้อถือโดยเขาพูดตามตามกันมาเป็นว่าญาติเสื้อถือโดยเขาเล่าลือตามกันมาเป็ญาติเสื้อถือโดยเห็นว่าเขาทํากันมาอย่างนั้นอย่างนี้ สิบขอเพื่อนบบให้เสื้อถือให้เสื้ออันใดวะท่า น, นให้เสื้อบนหงหู้จักบนห่าเห็นแจ้งบนเ่าวรู้จริงบนเ่าบ่มีทุกเนี่ยเพื่อนยังว่าสัทธาเสื้อสิ่งที่ขุนเสื้อว่ะท่านแล้วเขาจะไปเสื้อบนไหนสัทธาเสื้อสิ่งที่ขุนเสื้อนี่ก็เสื้อบนเ่าวบ่มีทุกบนเ่าวรู้แจ้งเห็นจริงนีิสันวะดับทุกได้นีิสันวะ นี่เสื้อบนนี้แล้วเพราะว่าความทุกข์นั้นมันบุมมีอยู่ในผู้อื่นนี้ถ้าหากขางฮิตผิดมันทุกข์อยู่นําเฮาผีดถ้าเฮาหากโบหิตผิดก็แล้วมันเริ่มบทุกข์ดังนั้นการปฏิบัติข้อแรกนั้นจึงว่ารู้จักรู้รู้จักนามผมว่าตามภาษาผมบ่ได้อ้างผสมภาษาบ า, บาลีในประเทศอินเดียผมว่าภาษาบ้านทบเองอันนี้ เพราะว่าได้ยินคุณศารบอกว่ามีโอกาสมีเวลาพูดลงในเทปส่งไปให้อาจารย์ทววัฒแดงผมคิดว่าอาจารย์ทววัฒเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือกันมาได้รักได้แพงกันมาแล้วก็พูดควมจริงให้อาจารย์ทววัฒฟังการปฏิบัติธรรมนั้นโบต้องปฏิบัติบนอื่น ปฏิบัติที่ตัวเห่าไปใส่มาใส่ก็ต้องเบื้งที่ตัวเห่า่ยาตยักหูย่าตยักเห็นย่าตยักเป็นย่าตยักมีเมื่อลู่ลูบลู่นามดีชัดเจนแล้วมันจะลู่ความคิดเมื่อลู่ความคิดชัดเจนดีแล้วสันโทสะโมหะโลภะลูกิเลสตัณหาอุปาทานนี่มันจะคอ่อยจืดค่อยจางไป เมื่อสิ่งเรานี่จื่อจางเข้าไปแล้วจนเคยเราสู้กันฝังอยู่เรื่อยๆสิ้นปกติขึ้นหมาลดสิลนั้นจึงเป็นเครื่องกำจัด ก, กิเลสอย่งงางยากอย่งงางยากที่สุดก็คือว่านี่เนี่ยสมาธิเป็นเครื่องกําจัด ก, กิเลสอย่งางกลางคนนกิเลสอย่างกลางนั้นเอาเข้าใจกันดีโตเอาไปติดความสงบหอบไปเฮ็ดท่านสงบแต่ความจริงสงบแบบนั้น มันโบมันสงบแบบพระพุทธเจ้ามันสงบแบบของถามความสงบนั้นมันมีอยู่ในเฮานี้คือมันสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากขวมทุกข์สงบจากข ว, ม, กกวมยึดมั่นถือมัน่นมีคนมาพูดหูมันฟังได้ คนเดินไปเดินมาตาเห่าเห็นได้แต่เห่าที่บุญิบุตริพอเหาเบื้องจิตเบื้องใจเหาอยู่สภาพสภาวะจิตใจอันที่มันเป็นอุเปขานั้นอันนั่นแหละเพิ่นว่ามันเป็นอังสันยูที่รู้มันก็เป็นอังสันอยู่บุรู้มันก็เป็นอังสันอยู่เพิ่นจังว่าธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้า แต่เขาศึกษาปฏิบัติให้ทุกเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดอย่างเฮ็ดปูสาพาปุทธเจ้าปูสาาระธรรมเจ้าปูสาพาทรงขาเจ้าพระพุร ธ, ธเจ้าอยู่ใส่พระพุรธเจ้าก็คือคนธรรมดาทุกคนนี่แหละเป็นปนได้มัดทุกคนบโบญกเวนถ้าหากเขาหูจักเขาต้องเคารพตัวเขา เมื่อ เ, าเขาเคารพตัวเขาแล้วเป็นการเคารพพระพุทธเจ้าแท้ๆการเคารพพระพุทธเจ้าก็คือเคารพตัวเขานี่แหละเคารพพ่อเคารพแม่เคารพเพื่อนฝูงก็เป็นการเคารพตัวเขาบ๊ะแม่นเขาจีเป็นยกมือไหว้ผู้อื่นพุ่นจิตใจเนี่ไปเยือนผู้อื่นพุ่นอนั้นทุกข์ทุกตามสั่งผมเดี๋ยวนี้แต่ความจริงผมบ๊ได้เป็นอยางตันแต่ก้อนผมก็เป็นอย่างตัน ยกมือไหว้คนก็ไปไหว้ตัวคนพูดจริงๆกล้าพระผมก็กล้าพระพุทธลูกจริงๆแต่ความจริงเมื่ออายุสี่สิบหกปีมานี้ผมรู้จักธรรมะอันนี้มีคนยกมือไหว้ขึ้นกล้าผมยกมือไหว้กล้าตัวผมพิโรธผมถ้ากล้าพระพุทธลูกว่าไงผมก็กล้าตัวผมผมพิโรธแล้วก็เป็นการกล้าพระพุทธลูกไปในตัว และบัดนี่ผมมีมู่ยกมือไหว้ผมไหว้ตัวผมมันก็เป็นการไหว้มู่เป็นรถในตัวบรรลุดังนั้นจึงว่าให้เขาลบตัวเองไหว้ตัวเองจึงว่าพุทธศาสนาจึงเปรีวาทีพึง่งพึ่งได้จริงๆอันเนี่ยโบต้องไปพึ่งไผ่ทั้งหมดรู้แจ้งเห็นจริงตอนนี้ก็เลยมาว่า ต่อไปอันตัวสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางนี้คือความสงบแบบผ่มสงบแบบโบหุจักสงบแบบโบหินแจ้งบบ น, นี้ปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดคาว่ากิเลสอย่างละเอียดนี่เหาโบอคอยรู้หเหาจี้เหตุทุกนั่นแหละเป็นผมสุขเห็นผิดเป็นทุกข์ เห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นโกงจักเป็นดกบัวพ น, นวิวาคนมีเงินหลายๆนั่นแหละมีความสุขพนว่าเห็นหนังสือได้หลายๆนั่นแหละมีความรู้ดินดียุอั น, นั้นก็ดีอยู่บุตรเป็นบุดีคนมีเงินหลายๆนั้นอาจจะทุกข์ก็ได้คนมีความรู้หลายๆนั้นอาจจะบกเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ พอมันไปติดยุกับตําลาผู้นี่ไปติดยุกับปุ่มโูพู้นี่ความจริงพระพุทธเจ้าสอนน้อยๆเพิ่นสอนให้คนโบมีบบให้มีคนบบให้มีมนุษย์บบให้มีเทวดาโบาให้มีอินโบให้มีผมบบให้มีมุนีน่นะให้มีอย่างไรจ๊ะเน่ยให้มีแต่พระลว้ลวนอยู่ในจิตในใจ ชีวิตของพระนั้นจึงว่าเป็นชีวิตที่ลาบลื้นที่สุดโบขึ้นโบลงโบต่ำโบสูงโบน้อยโบใหญ่เพื่อจังว่าโบเกิดโบแก่โบเจ็บโบตายอันสภาพสภาวะร่างกายเพื่อมองเห็นด้วยตาจับทุกด้วยมือนี่เพื่อว่ามันตายเป็นเนาเป็นเฮาก็เคยได้ยินเนี่ยะวกลิตกับพระบริเจ้า พระวรกลิศติดพระพรเจ้าเมื่อพระพรเจ้าไล่นี่กลิอกหักที่ไปโดนเหวตายพระพรเจ้าต้องกันี๋ไปห้ามไว้ภะวรกลิกเข้าใจว่าเราเป็นพระพรเจ้าตีสิพระวกลิศก็ตอบว่าเข้าใจว่าเป็นอันตรายโมเมนอันนี้บมแมนพระพรเจ้าอันนี้พรวรลิกตายเป็นบอตายเป็นเรา เป็นรูปวัตถุอนิจตายเป็นโมตายเป็นแน่มันก็ตายเน่าเข้าลงเป็นคือกันตายแล้วกัเน่าเหม็นเป็นคือกันมัดบมเม่นพระโพดีเจ้าโตพระโพดีเจ้าได้แท้นั่นบมแม็นอันนี้โบจิตโบแก่บบไข้บนนาโบตายเป็นเพื่นเอินว่าพระนิพพานนิพพานนั้นเพื่อนจะบอกข่วมเย็นข่วมโบทุกข์ข่วมโบเดือดร้อน เมื่อพวัคคลิกได้ยินอย่างนั้นแล้วพวัคคลิกก็เลยอยากเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยสแสวงหาโตวพวัคคลิกเองปฏิบัติตัวพวัคคลิกเองเมื่อปฏิบัติตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองในชีวิตของตัวเองเกิดมาทำมาเพื่ออะไรแล้วก็เลยเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นเส้นนั้นแล้วกับผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเลาเพราะวะ่า ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมไม่ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นธรรมก็เห็นตัวเรากำลังทํากําลังพูดก com okay, ําลังคิดนี่แหละเห็นเราก็เห็นตัวเรานี่แหละนี่แหละว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระฒถาคตผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมมาดังนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงว่าเป็นตถาคตไดท่านว่าอย่างไสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นพระพุทธเจ้าใดถ้าหากปฏิบัติตามแบบของพระโพธิเจ้าเดี๋ยวนี้เราโบาได้ปฏิบัติตามแบบของพระโพธิเจ้าถ้าหากเราปฏิบัติตามแบบพระโพธเจ้ามันก็ต้องรู้ตามแบบพระโพธิเจ้าทีบัดนี้สมมุติเอา คนถือศาสนาพุทธเป็นจํานวนหลายร้อยหลายพันคนบางคนก็ไปติดศินยึดมั่นถือมั่นในศินบางคนก็ไปติดสมาธิข่มสงบยึดมั่นถือมั่นในข่มสงบบางคนก็ไปติดเอาจินเจจินอย่างกันไปห้อยอันพันยาง แต่ความจริงซึ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นบวให้ติดเพิ่นให้เสยๆให้วว่างอยู่ซื่อเพิ่นว่าวางใจไว้เป็นกลางๆแต่โบได้ ว, วางมันดอกมันเป็นเองสภาพสภาวะมันเป็นเองนั่นแหละเพิ่นเอิ้นว่าพระพุทธเจ้าโบได้เปรียบอย่างให้มันล่ะคือเมู่เพิ่นนั่งฟังผมเว้าอยู่เดี๋ยวนี้นี่นะ มันบุเป็นยังมันบม่รู้จักว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย ม, มันบม่ได้คิดมันเลาอยู่ซื้อฟังไปซื้อสบายอยู่ซื้อจิตใจอันนี้แหละเราบุเคยรู้บุเคยเห็นแต่เมื่อวิวให้ฟังนี่มันจะรู้รู้แล้วยังที่มีงานสนิดหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นมานจะขาดออกจากกันจริงๆรับรองร้อยเปอร์เซนเรื่องนี้ผมเดินจุมคมอยู่ ตอนเศาประมาณตีห้านี่แหละก้อนผมจะเข้าใจเรื่องนี้หลักพระพุทธศาสนาสอน่อนข้อนี้มารวมที่จุดนี้ที่มันตรงกันข้ามครับที่มันตรงกันข้ามมันขาดมันเลยต่อกันบไดายเพิ่นเลยยกมาใส่ให้เป็นอายตนะสิบสอง คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นให้สักว่าเห็นซื่อหูฟังเสียงให้หูจักว่าเสียงซื่อจมูกดมกลิ่นเหม็นหอมนี่ก็ให้หูจักซื่อเป็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมย้ายมาเข้ากันใด้อันนั้นถูกอยู่ครับแต่ว่ามันว่าใดแต่มันยังมีอย่างอยู่ครับ มันยังมีอย่างอยู่เพราะนั้นเรื่อนกิเลสกิเลสมันเป็นอย่างเหนียวของกิเลสตันหานตันหาเปลวขอมยากยากอะไรมาเลยติดติดแล้วมันก็เลยเข้าไปแบกเลยเป็นอุปทานเหมือนอย่างที่วาแล้วน้ากระจกเขาเอามาวางไว้แล้วเอาอย่างไปตั้งไว้เครื่องตานหากระจกัหนหรือรูปคนก็ตาม เข้ารูปสืบลูมองเบื้งหน้ากระจกคุณเห็นมันติดอยู่หน้ากระจกคุเข้ารูปสืบกระจกมันโบได้หนักพอดีเอารูปอันนั้นออกไปทิ้งแล้วกระจกมันก็หายไปดังนั้นอันที่ผมว่ามันคาดออกจากกันนี่มันมีอยู่แต่มันโบติดกันมันคาดออกจากกันไปคนละบันละส่วนกันไป ดังนั้นของสิ่งซิ่งนี้มันมีอยู่แล้วในขนทุกขนบรยญุเวนถ้าหากว่าเหาบรเห็นบริหูบริเข้าใจในสมัยนี้จวนจะมดลมหายใจนี้ต้องเป็นแน่นอนทุกคนเพร่ะอยงว่าตกกระไดพลอยโจรตกกระไดพลอยโจนผินวะถ้าหากเหาบริหูบริเข้าใจต้องศึกษาให้รู้จัก การทำทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีวิธีการมีวิธีการเห็ดมีวิธีการทำสมมุติว่าห่าจิตต้มอาหารกินขึ้นจากอย่างหนึ่งหรือสองอย่างจะทำครัววานะไก็ได้ต้องรู้จักวิธีดังไฟติดไฟขึ้นสกรถ้าหากบุ่รู้จักวิธีดังไฟติดไฟแล้วอาหารโบสุ์ เมื่อรู้จักวิธีดังไฟติดไฟแล้วก็ต้องรู้จักวิธีเอาคนเสามาตั้งเมื่อบุรู้จักวิธีเอาคนเสามาตั้งเอาคอนเสาคอนเดยมาตั้งหมอมันตั้งโอยู่ส่องก้อนมันก็ตั้งโอยู่ต้องรู้จักวิธีเอาคอนเสามาตั้งสามก้อนสามขาเอาหม้อมาตั้งใส่เมื่อรู้จักวิธีนี้แล้วก็ต้องเอาน้ําเอาอาหาร มาปุงใส่ในหม้อให้เป็นผักเป็นเนื้อเป็นอัะไรก็ตามและไม่ได้ดังไฟใส้แบนี้ดังไฟใส้ไฟมันฮอนมันเผาพิษลายหรือว่าพญาติหรือว่ า, า, อ, วาอันไดก็ตามละ่ะสิ่งที่เป็นของดิบสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหมอ้อหั่น เมื่อน้ำมันฮอนมันด้วยขึ้นมาแล้วมันจิตตายไปมดดังนั้นอาหารต่างๆนั่นก็จะไม่มีพิษกินเข้าไปแล้วมันก็จะให้ประโยชน์แก่ร่างกายเราอันนี้ก็คือการการปฏิบัติแบบนี้เมื่อเราถึงที่ตรงนี้แล้วมันเป็นเองมันเข้าใจเองมันหลุดออกจากกันซื้ อ, อว่ามีภัยได้ไปเห็ุอย่างให้มัน เมื่อมันหลุดออกจากกันแล้วเอาเข้ากันบูติคอันนี้แหละที่สุดของทุกที่พระพุทธเจ้าพูดสอนเอาไว้แต่มันมีอยู่แล้วในคนทุกคนผู้หยิ่งก็ต้องรู้จังสันผู้ทายก็ต้องรู้จังสันคนทซาตไดถือศาสนาใดก็ต้องรู้จังสันเมื่อรู้อันนี้แหละเป็นว่าที่สุดของทุกทุกมันเกิดเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้อะไรเป็นว่าดังนั้นพระพุทธเจ้า ที่ตัดสรู้แล้วเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็เป็นเช่นนั้นเองที่จะมาตัดสรูต้ต่อไปข้างหน้านั้นก็จะเป็นเช่นนั้นเองเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ผู้ที่กำลังศึกษามียุ่ก็เป็นเช่นนี้เองลักษณะของพระอริยเจ้านั้นต้องเป็นอย่างนั้นเอง ดังนั้นขอให้ทุกคนจงเข้าอกเข้าใจว่าปฏิบัติที่ตัวของเราเมื่อปฏิบัติทุกต้องแล้วมันจะไหลไปเองมันมันจะไปถึงที่สุด ข, ของทุกรับรองว่าอย่างที่ตำราพนวะปฏิบัติเจ็ดปีผมคำนวณเองอันเนี้ยว่าถ้าหากปฏิบัติติดต่อกันให้มีสติ ติดตามอยู่ทุกขณะการเคลื่อนไหวทางรูปกายภายนอกและการเคลื่อนไหวของจิตใจอยู่ให้รู้จักอยู่ตลอดเวลาย่างนานบวกเกินสามปีจะรู้จะเห็นจะเข้าใจไม่มากก็น้อยเอาอย่างกลางให้เวลาปีหนึง่งต้องตั้งใจทำจริงๆได้แล้วบมไม่ชี้ว่าซื่อๆได้ เอาอย่างไวที่สุดเอานับตั้งแต่มือหนึ่งถึงเก้าสิบมื อ, มอความทุกข์นั่นจะลดน้อยไปเราววนวังนกพระอาหารหันต์พระอนาคามนะีเราจะรู้ที่สุดของทุกข์ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะสิ่งนี้อันนี้ถ้าหากมันไม่คิดอย่างนี้แล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นบ่าใด พราะสิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เท่านั้นเองดังนั้นเพื่อจิตว่าให้เบิ่งข่มคิดนี่แหละข่มคิดนี่แหละมันปรุงไปร้อยแปดพันประการเมื่อเขาเห็นข่มคิดแล้วข่มคิดมันทุกข์หยุดเมื่อข่มคิดทุกข์หยุดแล้วพนวัลสังขารบุธุปุง๋งพอเดือนวาวิสังขารถ้าหากเขาเบื่อเห็นข่มคิดเขารู้ มันคิดแล้เป็นเรื่องเป็นราวไปอันนั้นเพูนว่าอวิสาไปว่าหววโบรูพูดว่าวิสาเด้วิส า, าไปว่าหมรู้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จากแกรู้แล้วออกจากหัวคิดอันนั้นไดหัวคิดนั่นก็นเลยโบทูกปุงมันเป็นอย่างไรดังนั้นคันหาพระอริยบุคคลนั้นต้องหาที่ตรงนี้ เมื่อที่ไปหาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บุญมีทุกนั่นก็ต้องหาที่ตรงนี้บ่มไม่ไปหาที่อื่นแนางที่ไปหาพระพุทธเจ้าองค์ใดมีฤทธิ์องค์ใดมีเดชนั้นบ่มีโอกาสบ่มีเวลาจะได้พบได้เห็นเพราะว่าอันลูปคนนั้นบ่มเนพระพุทธเจ้าโตพระพุทธเจ้านั้นเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วอาทิพูดให้ฟังเรื่องภวกระลิกนั่นแหละผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้ารูปเดียว ผู้ใดบบเห็นธรรมก็โบเห็นพระพุทธเจ้าพระพุท ธ, ทธทเจ้านั้นจะว่าคือคนทุกคนนั่นแหละคนที่บบมีทุก์นั่นแหละเพื่อนเอื้นพระพุทธเจ้าจิตใจนั่นมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วที่โบสะอาดที่โบสว่างที่โบสงบนั้นเพราะเฮาหลงโตเฮาลืมโตเฮาภาษาธรรม ะ, พระเพื่ อ, เอ น, เนเอื้นวาโมหะเพื่อนเอื้นวาโมหะโมหะไปว่าคมหลง คันภาษาบ้านเขาเรียกว่าหลงเรียกว่าลืมถ้าหากเขาบ่นหลงบ่ลืมตัวเขาแต่แล้วจิตใจมันก็เป็นปกติอยู่สนวามันก็บทุกสนวะพ่อต้องรู้จักหน้าที่ของพอ่อแม่ต้องรู้จักหน้าที่ของแม่ลูกต้องรู้จักหน้าที่ของลูกเมื่อทุกคนรู้จักหน้าที่ของการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็สงบไปเองความสงบนั่นแหละ เพนว่านิพพานหรือว่าสันติหรือว่าความสงบหรือว่าโบเดือดร้อนจิตว่าสังเดชกว่าได้แล้วเพราะว่ามันโบเดือดร้อนแล้วนี่ผู้อื่นจิตเดือดร้อนก็ทําสร้างแล้วเราจะไปเดือดร้อนนําเพิ่นขันถ้าห่างเขาไปเดือดร้อนนาเพิ่นเขาก็เป็นทุกข์แล้วไปทุกข์นาเพิ่อนให้ยังเพื่อนกับเขามาเป็นคนละเรื่องกันเน๊ะ เพิ่นทุกหอกบกระจิตทุกนาเพิ่นมันกระโนแมนแล้วดังนั้นความทุกความสุขนั้นโบมีไผ่ใช้ให้ไผตัวเองโบลูเข้าไปยึดไปถือเอาซื้ อ, อถ้าหากเขาลูแล้วหอบป้อยหอาป่ากเอาวางแล้วมันก็บโบมีมีอย่างคลายคลายคือลูไปติดนักกระจกหนึ่งเอาหันกระจกออกไปทางนึงเสร็จแล้วลูกระโบมีแม่นเป็นอย่างสันดังนั้นเมื่อเขาเห็นจิตเห็นใจเขาแล้ว เขาเข้าไปยืดโบเข้าไปถือโบเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วความทุกข์นั่นก็นเลยโบเกิดขึ้นเมื่อความทุกข์บเกิดขึ้นแล้วที่เป็นยังไงบ เ, เนี่ยก็เป็นคนธรรมดานี่แล้วกินข้าวกินนา้าไปมาหั่นนี่ได้เหมือนกันบบแมนสิวาเป็นพระโพธิเจ้าแล้วเนาะเหาะได้บินบนได้คือนกนี่อันนั้นเป็นการเข้าใจผิดเรื่องหูทิพตาทิพก็คือกัน การว่าหูทิพนั่นกับคนเว้ายุธใดได้ยินมืดอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตาทิบนั่นก็คือการยู่ที่มีคนเดินไปเธอเดินมานั้นเห็นมืดอันนั้นก็เข้าใจบบคือการอีกตื่นหูเท็บนั้นพจนหมายถึงผู้ใดเว้าธรรมะเทหูจักผู้ใดโกหกลอกลวงว้าโบาจริงขอโบจริงนั้นหูจักคนเอิญหูเท็บ เพิณว่าทิปันนึ่งตาทิปคือกันเห็นสภาพบุคคลที่ประพฤติซัวหรือประพฤติดีกันประพฤติปฏิบัติซัวเขาก็เห็นเน่ยเพื่อเอื้นตาทิปอันตาเนื้อนี่ถ้เห็นเป็นอย่างหนึ่งนะี่ตาสติตาสมาธิตาปัญญาคุณเนะี่ยเพื่อเอื้นตาทิปเห็นจิตเห็นใจคุณเนะี่ยเพื่อเอื้นตาทิป ซอดซ่องมองเห็นคำพูดของบุคคลที่มาแนะนำพรรมสอนเขาพูนเด้เพื่อเอิ้นหูทิพย์เดบุม้มเนฟังเสียงควบอลเฮานี้เซื้ออันฟังผมว่าเนี่ยกะฟังซื้ออื่นี้บุม้มเนหูทิพย์ต่อเมื่อเพิ่นฟังแล้วที่จะนะโอลัณะจิตใจของคนนั้นคือกันมิดพระพุทธเจ้าก็คือกันมิด เน่ภาษาวกทุกองค์คือกันเมื่โอ้ทุกคนนี่เด้ถ้าหากปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้าแล้วคือกับพระพุทธเจ้านี่เด้โอ้เพื่อจิงว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อยังบวชันรู้หันเห็นก็ต้องวกวนเ่นโสเสวงหาเป็นทุกเมื่อาะแสวงหารู้แจ้งเห็นจริงแล้วโกลมทุกบ่มีนั่นแหละนั้นนามาสอนเรา เฮาบต้องไปสอนยากบัแบบนี้พอเพินบอกแล้วนี้ลองเจริญสติปัฏฐานซีแบกพระระเจ้าเห็ดอย่นี้รับรองได้ผมเอาชีวิตปินประกัน อ, อ้าวทำมึงเถอะสามปีนี่ผมเข้าใจว่ากีเข้าใจแต่แเรื่องจิตใจมันนึกมันคิดมาจากใส่เนี่ยโบเมนซีวา่าผู้ใดมาแปลงให้เฮามาปั้นให้เฮาโบเมน จิตใจเรื่องอุเปขาในกัจจิภูจักเทเหจิตใจที่มันจืดมันจางออกจากสภาสภ า, าวะย่างตรงกันข้ามนั่นกัจจิภูจักเทเหรับรองบอกว่าสิ่งนี้ขาดออกจากกันเมื่อใดเมื่อนั่นแหละพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นรับรองรับรองจริงๆอันเนี้ยเมื่อมันขาดปุ๊บออกขณะใดขณะนั้นแหละพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้ว รู้แจ้งเห็นจริงที่ว่าการเกิดอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วโบหลงบหลื่นเพราะเร่รอว่าสันติปโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองอกาลิโกบประกอบการและเวลาโบมียกกุคโบมีสมัยถ้าหากปฏิบัติผูกแล้วนะเราจะเห็นจริงจริงู้จริงๆเข้าใจจริงๆอันนี้แหละสภาพสภาวะว่า ย่อมเป็นเส้นนี้เองหลักษณะของพระเรียเจ้าย่อมเป็นเส้นนี้เองวันเป็นคือการเมิดเป็นคือการหมดแทๆบ่ผิดกันแต่ว่าสติปัญญานั่นแท้บ่มเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าข้อมุมีทุกข้อมขาดจากกันนี้แท้เป็นคือกันพระพุทธเจ้ากับขาดของสิ่งนี้ แล้วคนธรรมดาเขาก็จะคาดของสิ่งนี้ถ้าหากบ่เป็นในขณะนี้บอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกเพื่อจํานะเนี่ยอย่าลอกอย่าลืมจวนจะหมดลมหายใจนี่แหละเราจะประสบกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้แน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดเพราะไงว่าตกกระไดคอยโจรตกกระไดคอยโจร เขาเอาซื้อซื้อเขาไปเบิ้งคนเจ็บไข้ได้ป่วยเขาว่าตั้งสติให้มันดีๆเรียกสมันสีตั้งสติดีๆยังไดเพราะบได้ฝึกหัดดัดแปลงไว้เด็เขาต้องฝึกหัดดัดแปลงว่าตั้งใจไก่ไ ก, ไกไที่เมื่อเ ọ าฝึกหัดดัด